วันนี้เป็นวันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันที่3ของวันหยุดเทศกาลสงการทำให้สาธุรชนพุทธบ ร, รยสัตวผู้ใฝ่ธรรมได้มีเวลา ว้างจากภารกิจการงานต่างๆจึงสามารถมาวัดเพื่อมาเสติมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตได้วัดนี้ก็เป็นเหมือนสถานีบริการของรถยนต์เวลารถยนต์ต้องการน้ํามันต้องการเติมน้ํามันเพื่อขับเคลื่อน รถยนต์ให้ไปสู่ที่ต่างๆได้รถยนต์ก็จาเป็นที่จะต้องจอดแว้ตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์พอรถยนต์ได้เติมน้ำมันก็จะมีความสามารถที่จะเดินทางไปสู่ที่ต่างๆได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ที่ต้องการเติมความเป็นสิริมงคลให้แก่จิตใจเพราะความเป็นสิริมงคลนี้ก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนั่นเองการที่เราจะเติมความเป็นสิริมงคลได้เราก็ต้องไปสตาร์นีบริการของจิตใจเพื่อเติมความเป็นสิริมงคลให้แก่จิตใจ สถานีบริการของจิตใจก็คือวัดวาอารามต่างๆสถานที่ที่มีการกระทำที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเช่นบูชาจะปูชนียางเอตัมมังคลมุตตะมังมการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่สมควรต่อการบูชาสำหรับชาวพุทธเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราทุกคนผู้ที่มีพระคุณต่อจิตใจของพวกเราอย่างมหาศาลเพราะถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว จิตใจของพวกเรานี้จะไม่มีที่พึ่งทางใจจะไม่รู้การป้องกันใจไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้ถ้าขาดพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอน เป็นผู้บอกวิธีการดับความทุกข์ต่างๆของใจพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลอย่างยิ่งสมควรต่อการบูชาสมควรต่อการให้ความเคารพให้ความกตัญญูกตวเวทีการบูชาพระรัตนตรัยนี้ในทางพระวุทธศาสนา ก็ทรงแสดงไว้อยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยข้าของเงินทองต่างๆวิธีที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด นี่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือสองวิธีการสำหรับการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตเพราะถ้าได้มีการกระทำการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมงคลคือความสุขความเจริญของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีจิตใจจะสูงขึ้นจิตใจจะมีความสุขมากขึ้น น, นี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนามีสองระดับด้วยกันระดับแรกและระดับที่สองระดับแรกนี้ง่ายกว่าระดับที่สองจึงเป็นปกติสำหรับผู้ที่มีกําลังน้อยก็จะเริ่มที่ระดับแรกก่อนคือด้วยการกระทําอาบิสบูชาก่อนแล้ว พอมีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็จะขยับไปสู่การปฏิบัติบูบชาตามลำดับต่อไปอา น, นิสงส์หรือผลของความสุขความเจริญคือมงคลที่จะเกิดจากการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้ก็มีมากน้อยต่างกันไประดับแรกเป็นระดับที่ง่ายกว่าระดับที่สองอามิสบูชานี้ ง่ายกว่าการปฏิบัติบูบชาอา น, นิสง์ของอานิสบูชาจึงมีน้อยกว่าอา น, นิสง์ของการปฏิบัติบูชาแต่ก็ดีกว่าไม่ได้มีการบูชาเลยเพราะว่าถ้าไ ม, ไม่มีการบูชาก็จะไม่มีการเติมความเป็นสิริมงคลให้แก่จิตใจนันเองก็เหมือนกับรถยนต์ที่ถ้าไม่ได้เติมน้ามันเลย ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนเดินทางไปไหนได้แต่ถ้าได้ได้เติมเพียงครึ่งถังก็ยังดีกว่าไม่ได้เติมเลยแต่ถ้าถ้าถ้าจะให้ดีถ้าเติมได้เต็มถังเลยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้เดินทางไปได้ไกลกว่าการเติมน้ํามันครึ่งถังการบูชาก็เป็นแบบเดียวกัน บูชาระดับแรกนี้ได้ความสุขความเจริญขั้นขั้นที่หนึ่งส่วนปฏิบัติบูชานี้จะได้การความสุขความเจริญขั้นสูงสุดขั้นที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจหมดสิ้นไปได้ขั้นที่หนึ่งนี้ทำให้ความทุกข์บางส่วนหายไปแต่ยังไม่สามารถกำจัดให้หายไปให้หมดได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ที่การพยายามการฝึกฝนอบรมจิตใจในการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้การกระทำบูชาขั้นที่หนึ่งก็จะทำให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นในการที่จะนำไปสู่การบูชาขั้นที่สองตามลำดับต่อไปได้ การบูชาจึงมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือบูชาด้วยข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราจะไปใช้แบบฟุ่มเฟือยที่เราจะไปใช้ซื้อความสุขจากการกินการดื่มการเที่ยวการดูการฟังอะไร ที่ไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจแต่อย่างใดเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นแต่อย่างไรช่วเอาเงินส่วนนี้ที่เราเอามาใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆ คือเอาเอามาใช้กับการหาควางสุขจากรูปเสียงเสียงโน้นผลทพัชต่างๆมาทาบุญทำทานกับพระพุทธศาสนาดีกว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีการสนับสนุนจากพุทธบริษัทเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ก็จาเป็นที่จะต้องมีพระภิกษุมาบวชในม า, ม, ามาบวชในพระศาสนา มาบวเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้บรรลุ ธ, ธรรมอันปรสริงแล้วหลังจากที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมอันปรสริงแล้ว mm. ก็จะได้นำเอาความรู้นี้ mm. มาเผยแต่สั่งสอนให้กับสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมตามลำดับต่อไป mm. สาธุชนถ้าได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาธรรมอยู่เรื่อย ก็จะเกิดมีความรู้ความฉลาดมีปัญญาสามารถทำให้ปฏิบัติตามคำสอนคาสอนของพระพุทธเจ้าในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้งนั้นการที่พระสงฆ์จะอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีวัดวารามที่อยู่อาศัยมีผู้คอยสนับสนุนในด้านปัจจัยสี่ ก็คืออาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่มหมกุติที่อยู่อาศัแยและยารักษาโรค เ, เวลาก ก, การเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. การทำอมิสบูชาก็ก็คือการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกำลังทรัพย์ด้วยกำลังสิ่งของที่ชาวพุทธศาสนิกระชนมีอยู่ มีอยู่ที่พอที่จะสนับสนุนได้เช่นทำบุญ ท, ทำทางใส่บาตรถวายผ้าผ้าไตาบ้างผ้าบังสกุลบ้างผ้าป่าบ้างถวายสังฆทานบ้างเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระสงฆ์ออถวายารักษาโรคเวลากิอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ทวายที่อยู่อาศัยกุติอันนี้เป็นปัจจัยสี่ที่สาคัญของพระสงฆ์พระสงฆ์จะอยู่และศึกษาพระธรรมและปฏิบัติพระธรรมได้และได้บรรลุธรรมได้ก็ต้องมีปัจจัยสี่คอยสนับสนุนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทคือศรัทธาญาตโยที่เป็นคารวะคู่ครองเรือนผู้ที่มีกำลังทรัพย์ พอที่จะสนับสนุนได้ก็มาทำบุญทำทานกับพระสงฆ์กับพระพุทธศาสนานอกจากนั้นก็ยังมาช่วยร่วมทาบุญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของทางวัดชำระนี้สงฆ์สมัยนี้สงฆ์ก็มีหนี้หลายอย่างด้วยกันเช่นหนี้ค่าน้าค่าไฟหนี้ค่าดูแลรักษาสถานที่ให้สะอาดหนี้ดูแลการทำนุบารุงซ่อมแซม ปติกรณ์ในการซ่อมแซมอาการต่างๆที่อาจจะเกิดการชำรุดทุดโทมขึ้นมาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องไปเป็นหนี้ของผู้กอผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ที่จะมาซ่อมและดูซ่อมอาการต่างๆที่ชำรุดทุดโทรมให้อยู่เป็นปกติได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริจาคทรัพย์สินเงินทองนอ ก, กจากปัจจัยสี่สำหรับพระสงฆ์แล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมีการบริจาคทรัพย์สินเงินทองบางสว่วนเพื่อทำนุบํารุงท่าวรและวัตถุต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม น, น่าดูน่าชมน่าเคารพนับถือนั่นเองนี่คือการทําบุญทําทานต่อพระพุทธศาสนา เพื่อทจำนุบบำรุงให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปได้นานๆจําเป็นจะต้องมีวัดวาอารามบางท่านก็มีกําลังมีทรัพย์สินมีที่มีที่ก็บางทีก็บริจาคที่ดินให้กับให้กับคณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์จะได้ไปตั้งวัดขึ้นมาประก่อสร้างวัดขึ้นมาพอมีที่ดินแล้วก็ต้องมีการปลูกสร้างก็จะมีการร่วมบริจาค เงินทองต่างๆเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อจะได้มีสถานที่ไว้สำหรับการทำกิจทางศาสนาอันนี้ก็คือเรื่องของการบูชาด้วยอาิัยศบูชาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรันตนตรัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่และต้องการได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การได้กระทำอามิสบูชานี้ก็จะทำให้จิตได้รับบุญ ขึ้นมาในใจได้รับความสุขใจขึ้นมามบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานนี้เรียกว่าความสุขใจความสุขใจที่จะส่งให้ใจเวลาตายจากโลกนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายจากโลกนี้ไปใจที่เป็นดวงวิญญ า, ญญาณก็จะมีบุญนี้ส่งให้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ทำบาป หรือทำบาปน้อยกว่าการทำบุญเพราะฉะนั้นนอกจากการทำบุญทำทานแล้วผู้ที่ทำบุญทำทานก็ควรทำมาทานศีลด้วยคือละเว้นจากการกระทำบาปห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการรักทรัพย์สามการประพฤติในกางสี่การพูดปวดและหการดื่มสรายาเมาถ้ามีการยับยั้งมีการลดเว้นการกระทำบาป เวลาดวงวิญญาณเวลาร่างกายตายไปบาปก็จะไม่มีกำลังที่จะดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบาย mm hmm. อบายก็คือที่เกิดของผู้ที่กระทําบาปมีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือเดรัจฉานเกิเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเกิดเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว เ, เกิดในนรก เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมสถ<ม>านที่เหล่านั้นก็จะไม่เป็ น, ปนที่ไปของผู้ที่ทำอามิสสบูชาถ้าทำอามิสบูชาด้วยการสมาทานศีลห้าแล้วก็บริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินตองเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา<ม>ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ สูงต่ำขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ที่บริจาคไปถ้าบริจาคทรัพย์มากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสูงมากถ้าบริจาคน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ําได้ความสุขน้อยกว่าเหมือนกับโรงแรมที่มีดาวต่างกันมีห้าดาวก็มีมีสามดาวก็มีมีหนึ่งดาวก็มีความสุขความที่ได้รับจากการบริการก็จะมากน้อยต่างกันชั้นใดสวรรค์ชั้นต่างๆก็ ก็ขึ้นอยู่กับการบริจากทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่ mm. ทรัพย์สินนี้เราไม่ได้นับที่แต่ตัวเลขอย่างเดียวเรานับที่สัดส่วนของทรัพย์สินว่าเราเบริจากไปร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเป็นต้นซึ่งแต่ละคนร้อยละสิบของแต่ละคนนี้ก็ จ, จะไม่เท่ากัน บางคนร้อยละสิบก็อาจจะเป็นพันหนึง่งบางคนร้อยละสิบก็อาจจะเป็นหมื่นหนึง่งบางคนร้อยละสิบก็อาจจะเป็นแสนหนึง่งแต่ก็จะได้บุญในระดับชั้นเดียวกันเพราะบริจาคทรัพย์สินในในปริมาณเท่ากันคือร้อยละสิบเท่ากันดังนั้นการทำบุญเราไม่ได้ดูที่ตัวเลขของของเงินทองที่เราบริจาคไปเราดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินของเงินทองที่เราบริจาคไป ว่าเราบริจาคร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าเรามีล้านหนึ่งเราบริจาคสิบเปอร์เซ็นร้อยะสิบแล้วก็บริจาคไปแสนหนึ่งถ้าเรามีแสนหนึ่งเราก็บริจาคไปหมื่นหนึ่งเป็นต้นแล้วเราก็จะได้บุญเท่ากันฉะ<ม>นั้นคนที่มีเงินน้อยอย่าไปรู้สึกว่าเราไม่สามารถทําบุญได้มากเหมือนกับคนที่เขามีเงินมากมเราไม่ได้วัดที่ตัวเลขของเงินแต่เราวัดที่ทรัพ สัด ส, ส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ว่าเราเบิจากไปร้อยละเท่าไหร่ฉะนั้นคนเบิจากเงินแสนหนึ่งกับคนเบิจากเงินพันหนึ่งนี้อาจจะได้บุญเท่ากันก็ได้เพราะเบิจากทรัพย์สินในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละสิบร้อยละสิบก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งร้อยละยี่สิบก็ได้สวรรค์ชั้นที่สองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสวรรค์ชั้นที่หกเป็นต้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาแล้วความยินดีฉันทะวิริยะเพราะเวลาได้ทําบุญใหม่ ๆ, ๆก็อาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าของบุญที่ได้ทําไปแต่พอได้ทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเริ่มเห็นว่าใจมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้นมีความหิวโหวยในการที่จะหาความสุขจากของฟุ่งเฟือยต่างๆน้อยลงไปก็เลยเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ ของการทำบุญทำทานก็อยากจะทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราเอาเงินไปใช้กับของฟุ่งเฟือยของหรูหราของที่ไม่มีความจำเป็นนี้มันไม่มีบุญสะสมอนู่ในใจนะใช้ไปแล้วมันก็หมดไปเลยเหมือนเอาเงินไปทิ้งไม่มีคุณค่าต่อจิตใจไม่ได้ส่งให้เกิดิตให้จิตใจส่งไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้เพราะว่าความสุขที่ได้จากการ แต่ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขความเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ได้ทําให้จิตใจมีบุญมีความสุขใจขึ้นมาใจอย่างใดเมื่อได้เห็นความความแตกต่างระหว่างการใช้เงินใช้เงินกับการซื้อของฟุ่มเฟือยกับของหรูหราของที่มีราคาแพงๆกับใช้เงินกับการทําบุญทําทานบริจาคทานุบํารุงพระพุทธศาสนา แล้วเห็นผลที่ที่ใจว่ามีความแตกต่างกันทุกครั้งที่ทําบุญกับทํานุบํารุงกับพระพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความอิ่มเอิบใจสุขใจ <Yeah. S 1> แะทุกครั้งที่ไปเที่ยวไปกินไปเดินไปดูฟังไปฟังแล้วกลับมาก็รู้สึกว่างๆเปล่าๆความสุขที่ได้ก็หายไปหมดมีความสุขชั่วขณะที่ได้ไปเสพได้สัมผัสทั้งนั้นพอกลับมาบ้านก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดีย ว, ด, ยวดายไม่มีอะไรหลงเหลือติดมาในใจเลย นี่คือเมื่อพอเห็นความแตกต่างแล้วก็จะทําให้มีศรัทธาที่อยากจะทําบุญทาทานมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีเงินมีทองเมื่อก่อนก็อยากจะไปซื้อของพุ่มเฟือยของหรูลราแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการทาบุญทําทานแล้วมันสู้ความสุขที่ได้จากการทาบุญทําทานไม่ได้ เพราะความทำบุททความสุขที่ได้ของจากการทำบุญทาทานทำให้มีความอิ่มเอิบใจและฝังอยู่ในใจตลอดเวลาบุญที่เราทำนี้ยังไม่หมดบุญที่เราได้ทำได้สะสมไว้ในใจนี้ยังยังไม่ได้ออกมาใช้จะเอาบุญนี้ออกมาใช้ก็ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปเท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปใจเป็นดวงวิญญาณใจก็ต้องอาศัยบุญที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ พาให้ใจได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองอนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าพวกเราได้มีการกระทำอามิสบูชาต่อพระพุทธศาสนาทำนุทนุบา ร, รุงพระพุทธศาสนาด้วยข้าของเงินทองต่างๆตามกาลังของเรามีมากมีน้อยแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ไม่ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดแจิตใจเมื่อได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการทาบุญทงทานแล้ว ตามีความรู้สึกยินดีที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นและยิ่งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อจิตใจของสรรโลกว่าไม่มีศาสนาหรือคำสอนอันใดของใครในโลกนี้ที่จะสามารถพาจิตใจของสรรโลกนี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. มีแต่พระพุทธศาสนาเพียงเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่สามารถที่จะนําพาสารโลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเยืนไหยตายเกิดให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเยืนไหยตายเกิดได้เมือ่อได้ทำทำอาอมิสบูชาแล้วเห็นคุณค่าของของความสุขของความเจริญของจิตใจว่ามีเพิ่มมากขึ้นพอจิตใจมีความสุขความเจริญมากขึ้นจิตใจก็จะมีกาลังมากขึ้นก็จะพร้อมที่จะไปกระทา การบูชาที่ยากขั้นที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาการกระทําปฏิบัติบูชานี้ก็คือการไปซักพอกจิตใจชำระจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆฉุดลากให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆให้ชำระ จ, จิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลง เมื่อจิตใจได้ซักพอ้อกปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปอเพราะว่าทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายของร่างกายทุกครั้งไปถ้าสามารถระ ง, งับการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการปฏิบัติบูชาซักข้อจิตใจการซักพอ้อจิตใจนี้ต้องมีเครื่องสักข้อจิตใจ ก็คือการการปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองที่มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ให้รู้ถึงเหตุถึงผลว่าการเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ถ้าไม่อยากที่จะต้องมีความทุกข์ในใจไม่อยากจะให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจด้วยการมองเห็นว่าสิ่งที่ความโลภความโกรธความหลงอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์ดังนเราเห็นเงินทองนี่เราคิดว่าเป็นสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปได้เพราะว่าเงินทองนี้มันก็เป็นของชั่วคราวไม่แน่นอน วันนี้เราอาจจะมีเงินทองใช้พวกนี้เราอาจจะไม่มีก็ได้เวลาเราไม่มีเงินทองใช้เวลานั้นเราก็จะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์อย่างไรแต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัายเราไม่ต้องใช้เงินทองเราหัดอยู่แบบแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองได้อย่างหันอยู่แบบนักบวชได้หรือใช้เงินทองก็ใช้แบบประหยัดมัธยัสใช้เท่าที่จำเป็นเงินทองก็อาจจะไม่ขาดมือได้ แต่ถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขใช้แบบสรุย่ยสล้ายใช้แบบใช้แบบหรูหราใช้กับของหรูหราใช้กับของแพงๆมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ไม่นานมันก็จะหมดได้พอหมดแล้วความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเงินทองนี้ก็มีไว้เพื่อสําหรับเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงให้เรามีปัจจัยสี่พอให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นก็พอ ส่วนความสุขนี้เราควจะหาความสุขจากการซักพอกจิตใจจะดีกว่าเพราะถ้าเราสามารถกําจัดความโลภความหลงความโกรธความหลงได้ด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาได้ใจของเรานี้ก็จะมีความสุขขึ้นมาใจที่ไม่มีความสุขก็เพราะถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนั่นเองพอได้รับการซักพอกจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญา หลังจากที่ออกจากสมาธิมาพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปโลภอย่าไปอยากถ้าได้มาแล้วแทนที่จะได้รับความสุขกับจะต้องได้รับความทุกข์พอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้ได้เมื่อตัดได้แล้วใจก็จะสงบเย็นสบายตัวที่เพราะว่าตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจคือความโลภความอยากต่างๆ ได้หยุดทำงานไปด้วยกำลังของปัญญานี้เองอนี่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาชำระสักพอ่อจิตใจให้สะอาดบอยสุดเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่ยอดที่สุดที่เลิศที่สุดถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติบูชาได้ก็ขอไปไป ป, ฏ, ไ ป, ปฏิบัติบูชาได้เลยไปอยู่แบบนักบวชไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้เลย เพราะว่าอาบิสบูชาถึงแม้เราจะทำบุญทำบุญทำทำบุญทําทานเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามอานิสงส์ที่ได้รับจากการทำบุญทําทานร้อยล้านพันล้านก็สู้อานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติบูชาไม่ได้แม้อานิสงส์ที่เกิดจากการซักพอกจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาให้ให้สะอาดให้จิตใจสะอาดหมดจดสาดจากความโลภความโกรธความหลง ทำให้จิตใจกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจที่เป็นนิพพานก็คือใจที่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ในใจนั้นอีกต่อไปใจนั้นก็จะมีแต่ปรมังสุขขังบ ร, รมมาสุขไปตลอดนั่นนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพอระอนันตสาวกทั้งหลายเป็นเป็นใจที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ต้องการให้ชาวพุทธเราไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ คือให้ไปถึงจุดที่จิตใจสะอาดบริสุทธิปราศจากความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติบูบชานี่เอง<ม>นี่ก็คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธ ศ, ศาสนาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งต่อผู้กระทาการบูชามีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าอมิสบูชาและระดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาก็<ม>ถ้าท่านผู้ใดยอยากจะให้จิตใจ มีความสุขมีความเจริญมีความเป็นสิริมงคลก็ขอให้หมั่นเข้าวัดบ่อยๆเพื่อมาทำการบูชาทั้งสองระดับนี้ระดับแรกก็คืออาบิสบูชาและระดับระดับที่สองก็คือปฏิบัติบูบชาแล้วจิตใจก็จะค่อยเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับตามกำลังของของการปฏิบัติทั้งสองทั้งสองรูปแบบทั้งอาบนิสบูชาและทั้งปฏิบัติบูบชา ตอนไนที hmm. been, time, so ่สุดจิตใจก็จะได้ขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรเก่เวลาสำหรับวันนี้เพราะว่าเราได้กาหนดเวลาไว้ประมาณสาสิบนาทีในการแสดงทำได้อีกสาสินาทีต่อมานี้เราจะมาปฏิบัติบูชากันด้วยการมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบรักรับความโลภความโกรธความหงไว้ชั่วคราว ถ้าสร้างพระนิพพานขึ้นมาแบบชั่วคราวก่อนเวลาใจสงบนิ่งในสมาธินี้ใจก็จะสงบเหมือนกับเหมือนกับพระนิพพานเหมือนกับใจที่ได้เข้าสู่พระนิพพานต่างกันตรงที่ว่าใจที่อยู่ในพระนิพพานนี้เป็นเป็นความสงบแบบถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแต่ความสงบของสมาธินี้ยังเป็นความสงบแบบชั่วข่าวอยู่ในสมาธิได้ชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวกําลังของสติก็จะอ่อนลง พอกำลังของสติอ่อนลงจิตก็จะถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สัมผัสกับเรื่องนั้นสัมผัสกับเรื่องนี้แล้วก็เกิดความโลภความอยากตามมาใหม่ <vitamins. S 2> ก็ต้องใช้ปัญญาคอยกาจัด <ans. S 2> เวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความโลภความอยากต่างๆกง็ใช้ไตลักษ์มาสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขที่แท้จริงอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรนี่แหละดีที่สุด มีความสุขมากที่สุดต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินี้ยังเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้กํากับใจผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์กล่อมใจที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งหรือการสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งก็อยู่กับว่าเราจะเป็นจะต้องใช้แบบไหน ถ้าใจเราคิดมากยังฟุ้งอยู่ยังไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้ก็ให้มาอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปพังๆก่อนให้ใจหายฟุ้งซ่านก่อนพอใจหายฟุ้งซ่านแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมแล้วเปลี่ยนมาบริกรรมพุทโธต่อไปอันนี้เราเวลานั่งต้องมีกรรมฐานฝูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปสนใจเวลามีอะไรเข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิ จะมีเสียงเข้ามาก็ดีจะมีภาพเข้ามาก็ดีมีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ดีมีความรู้สึกเข้ามาก็ดีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ดีอย่าไปสนใจเรือมีความปิติมีความสุขเกิดขึ้นจากการทำสมาธิก็อย่าไปสนใจเพราะนี้เป็นเพียงผลเบื้องต้นยังไม่เป็นผลขั้นสูงสุดผลขั้นสูงสุดที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความสงบนิ่งของใจให้ใจเป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอยู่กับความสงบอย่างมีความสุขอย่างยิ่งถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องฝูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นที่เข้ามาแทรกในขณะที่ทาสมาธิถ้าสามารถอยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิ เวลารวมลงบางครัง้งก็อาจจะรู้สึกว่าตกตกบูบลงมาจากที่สูงบางครั้งก็อาจจะตกเป็นแบบขั้นบันไดตกขตกเทวบูบทีทละขั้นทีละขั้นบางครั้งก็ตอบแบบเหมือนกับตกลุมของตกตกลงมาจากในลิฟต์เนี่ยที่มันเลื่อนไหลลงมาแบบลิฟต์มันไม่เป็นขั้นมันลงมาแบบจากจากต้นลงมาสู่ปลายเลยก็อาจจะเป็นได้ในสองรูปแบบนี้จะเป็นในรูปแบบไหนก็ไม่ต้องสําคัญอย่าไปคาดคะเน เวลานั่งให้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดีย ว, ยวอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดอยา่าไปคาดคะเนให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกรรมฐานใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้พอใจนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆได้มีสติประคับประคองใจอย่าไปคิดอะไรอย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้อยู่ให้มันนิ่ง ๆ, ๆเฉยๆไป จนกว่ายาไม่มีกําลังสู้กับความคิดได้แล้วก็ถึงจะถอนออกมาจากสมาธิต่อไปอ น, นี่คือกลวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันในตอนนี้ประมาณสักยสินาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้นี้นั่งต่อได้เลยแล้วก็จะได้รับความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ได้ทำให้มันสงบแต่อย่างใดถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยคนจะเจริญสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันเราสามารถเจริญสมาสติได้ทั้งวันนั่ง ต, ตื่นจนหลับ เมื่อตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือเฝ้าดูร่างกายของเราว่ากำลังทาอะไรอยู่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายและได้นานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวารีวะหาตูราปาริปรินติสักกะลัง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 มาเตภวัตตวันตารโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิตนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัธานติอายุวโนสุขังพาลาะ ต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคําตอบเพราะถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนแพอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุธาติ260ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาตร312 YouTube อกเร์30 c l ับ h ฮ u s ์6วิทยุออนไลน์5นาคุติ161รวมทั้งหมด774ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุติค่ะ ข้อแรกกราบนมัมสการพระอาจารย์โยมเคยนำธรรมะพระอาจารย์ไปบอกต่อให้พ่อกับแม่ฟังแต่ท่านบอกว่าอย่าทำป็นรูด้ดีสรุปคือโยมต้องเนี่ยงและปล่อยวางถึงท่านจะมีเชื่อหรือไม่เห็นด้วยก็ตามใช่ไหมเจ้าคะก็ท่านยังไม่ต้องการที่จะฟังเราก็ไม่ต้องพูดอะไรถ้าวันหลังท่านถามว่าเราค่อยพูดก็ได้ถ้าท่านเป็น ถามนี่เราไม่ควรไปบอกพ่อไปสอนพ่อสอนแม่เป็นการผิดมารยาทลูกจะไม่ไม่สอนพ่อสอนแม่นอกจากถ้าพ่อแม่อยากจะรู้ในสิ่งที่ลูกรู้นี่ถามแล้วเราก็ตอบได้ข้อที่สองค่ะตั้งแต่โยมฝึกภาวนาเพื่อนน้อยลงแต่อยู่กับตัวเองได้นานๆเป็นผลจากการฝึกใช่ไหมเจ้าคะ่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะใการฝึกจะทำให้เราใจเรานิ่งขึ้น ความอยากน้อยลงท้าเวลาสามารถอยู่คนเดียวได้มากขึ้นไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีเพื่อนเพราะเรามีธรรมะเป็นเพื่อนของเราแทนคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเราจะจัดการกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อย่างไรให้ใจเราไม่พังไปก่อนเจ้าคะก็เวลาฝนตกเราจัดการกับมันได้เปล่าจะให้มันหยุดได้หรือเปล่าก็ปล่อยมันตกไปทั้งนั้นเองแล้วก็อยู่เฉยๆไป เมออต้องทะไรลยคำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากสอบถามว่าเวลาฝึกลมหายใจถ้าเกิดว่าถนัดหายใจแบบโยคะคือการที่ใช้นิ้วโป้องอุดจมูกข้างหนึ่งหายใจเข้าแล้วการสลับหายใจออกสามารถทำได้ไหมคะเพื่อฝึกสติสมาธิค่ะก็ <c oughs> ไม่เคยลองเลยไม่ทราบคิดว่าดูลมเฉยๆยังง่ายกว่านะธรรมดาเราก็ไม่ได้ ลดหายใจแบบโยคะตลอดทั้งวันไม่ใช่เลยเวลาเราไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ได้หายใจแบบโยคะเราก็หายใจแบบปกติเวลานั่งเราก็จะหายใจแบบปกติไปจะง่ายกว่าเพราะการนั่งสมาธิเราต้องการลดการทำงานของใจลงให้น้อยที่สุดไม่ให้ทำอะไรเลยให้ให้รู้เฉยๆใจถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้เพราะฉะนั้นควรจะดูลมหายใจตามปกติจะดีกว่า หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้น fall, ลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆให้อยู่กับที่เดิมทีป่ปลายจมูกแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องบงบบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆอันนี้ไม่ถูกวิธีปล่อยให้ใจให้ลมหายใจหายไปตาม ตามปกติของเขาตอนต้นมันจะสั้นและจะหยาบแล้วพอนั่งไปนานขึ้นจิตเริ่มสงบมากขึ้นลมก็จะละเอียดขึ้นยาวขึ้นไปตามลําดับแต่เราไม่ต้องไปบังคับมันเพียงแต่รู้เฉยๆเองแล้วมันจะเบาลงไปเบาลงไปบางทีมันจะหายไปก็ก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจว่าเอ้ยเราไม่หายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่าไม่ไม่ตายแล้วเรายังมีลมอยู่เพียงแต่มันเป็นลมที่ละเอียดเพียงใดเรารู้อยู่จุดเดิม คาถามจากทางเฟซคถามจากทางยู u uhm ูบพระอาจารย์สุชาติค่ะพุทโธพุทโธแล้วเป็นสมถะแล้วจะเดินปัญญาตรงไหนเจ้าคะต้องออกจากสมาธิก่อนเป็นเหมือนกับคนเรวิชากันเราต้องเราเรียนวิชาสมถะทำใจให้นิ่งให้สงบให้ชำนานก่อนให้เก่งก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ หลังจากนั้นเวลาที่เราไม่ได้นั่งเข้าสมาธิเราอยู่ข้างนอกสมาธิเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ามาคิดทางปัญญาเช่นคิดว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงร่างกายที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองมันชั่วคราวเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเราเอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ แต่ร่างกายมันเป็นของชั่วคราววันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเราต้องมาสอนใจให้เตรียมตัวปล่อยให้ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะถ้าเรายึดเราติดเราอยากให้มันอยู่กับเรามันจะทําให้เราเครียดจะทําให้เราทุกข์เราไม่ต้องการความเครียดไม่ต้องการความทุกข์เราต้องปล่อยต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนตัวของเราเราก็คุมบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ะ้าเขาเจ็บไม่ห้าาตายไม่ได้ ถ้าเขาจะแก่เจ็บตายก็ต้องปล่อยให้เขากแก่เจ็บตายไปแล้วใจเราก็จะสงบสบายไม่มีความทุกข์กับร่างกายต่อไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลานั่งแล้วมีความคิดเยอะควรทําอย่างไรคะต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าคิดต้องมากก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจําได้สวดนานๆสวดหลายๆรอบ สวดซ้ํากันเท่าไหร่ไม่เป็นไรเช่นเราสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆพอครบรอบครบครบหนึ่งรอบแล้วมันยังไม่สงบก็สวดรอบที่สองรอบที่สองยังไม่สงบก็สวดรอบที่สามสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้คําถามจากทาง Facebook ค่ะกราบนมัมสการพระอาจารยน์นั่งสมาธิเมื่อจิตสงบ จะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ใช้สภาวะความสงบที่ไม่สุขไม่ถูกกิเลสและความอยากหายไปหมดหลังจากออกจากสมาธิความอยากต่างๆก็หายไปหมดผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะรู้สึกได้ว่าความอยากกำลังกลับมาและผมรู้สึกหดหูที่ความอยากมันกำลังกลับมาอีกแล้วครับก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ายังไม่รู้จักใช้ปัญญากาจัดมันก็ใช้สติ จุดความคิดเข้าไปในสมาธิก่อนถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้คำบริกา ร, รมพุโทโธประคองใจไปไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้มันคิดถึงความอยากต่างๆแล้วถ้าใช้ปัญญาได้ก็สอนใจว่า ส, สิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ เอนน้ใจเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถเก็บเอาไวไ้เป็นของเราได้ไปตลอดให้คิดอย่างนี้ถ้าจะคิดทางปัญญามีคำถามส่งเข้ามาคำถามจากผู้รับฟังนะกุฏิค่ะ พ่อของลูกพึ่งเสียชีวิตลูกดูแลท่านเป็นคนสุดท้ายและพบร่างท่านเสียชีวิตนอนตัวแข็งในเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีวิธีคิดยังไงไม่ให้เป็นทุกข์และควรนำภาพที่เห็นพ่อเสียชีวิตมาพิจารณาดินน้ำลมไฟอสุภะให้เกิดปัญญาไหมหรือควรตัดภาพทิ้งเมื่อมีสัญญาขึ้นมาเพราะตอนนี้เวลาภาพเกิดจะยังรู้สึกเศร้าใจอยู่ค่ะถ้าเศร้าใจอยู่ก็อย่างเพิ่งอย่างเพิ่งไปคิด ให้ใช้คำํำบริกรรมพุโทโธพุโทโธระงับความคิดไว้ก่อนแต่ถ้าเราคิดได้คิดทางปัญญาได้ว่าร่างกายของคนทุกคนเหมือนกันหมดทั้งของเขาทั้งของเราในที่สุดก็ต้องตายไปและมันก็เป็นเพียงดินน้ําลมไฟมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือจิตผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็คิดไปแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ยังเศร้าโศกเสขขียใจอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงคนตายก็หยุดความคิดไว้ก่อน ทำใจให้สงบนิ่งให้สงให้สบายใจก่อนแล้วพอมีกําลังที่อยากคิดก็ลองคิดดูหรือถ้าไม่อยากจะคิดก็ไม่ต้องคิดก็ได้ข้อที่สองอติของพ่อควรเก็บในโกรธไว้ที่บ้านหรือรอยอังคารของลูกแบ่งเป็นสองส่วนและอติสามีภรรยาพี่น้องควรจัดการยังไงคะก็แล้วแต่ความพอใจของเราสมัยนี้บางทีบางคนก็ไม่อยากจะเก็บไว้เป็นภาระของลูกหลาน พอเดี๋ยวเราตายไปลูกหลานเขาก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจะงั้นเราก็จัดการเดี๋ยวนี้นี่ยอเอาไปรอยอังคาเงินพอพอตายแล้วกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกก็เอาไปลอยอังคาในทะเล ก, กันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่สภาพเดิมจะได้ไม่เป็นภาระทั้งเราทั้งทั้งลูกหลานของเราต้องหาที่เก็บอย่าไปเก็บไว้ที่อะไรที่เหมาะสมนอกจากว่าเราลากเราเคารพยังอยากจะให้ ส่วนหนึ่งของท่านอยู่กับเราเราก็เก็บเอาไว้ได้ได้ทั้งสองอย่างจะเก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บไว้ก็ได้คำถามจะพู้รับรฟังนะกุติค่ะ ตอนนี้พอปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนสติเริ่มมากขึ้นทำให้เห็นในสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยสนใจเช่นสิ่งของบนทางเดินสิ่งของในห้องและอื่นๆอีกมากคำแนะนำให้ลูกทำคือสติรู้และละปล่อยทุกเรื่องนะครับเอ่อแล้วก็ น, นั่งนั่งทำใจให้สงบมีสติอย่างเดียวยังไม่พอต้องนั่งสมาธิให้สงบเราจะได้ความสุข ถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้เราไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เพียงแต่ทำใจให้นิ่งให้สงบเท<อ>่านั้นคำถามจากทางเฟสจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะในมงคลสูตรในบทที่ว่าศิลปศาสตร์ขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความให้หน่อยครับว่าคนรปฏิบัติอย่างไรครับ ถ้า <S an> บางคนมีความสามารถในในการกระทําในต่างๆบางคนก็เป็นนักวาดรูปบางคนก็เป็นนักแต่งเพลงบางคนก็เป็นนักดนตรีอันนี้เราเรียกว่าเป็นศิลปศาสตรที่เราสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการทํามาหากินได้เป็นอาชี่ที่สุดจริตไม่ต้องไปลักขโมยไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใครก็เรียกว่าเป็นมงคลอย่างหนึง่งถ้าเรามีความสามารถในศิลปศาสตรต่างๆ คำถามจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากทราบว่าในองค์พระอาหารหันต์ที่ท่านละสังโยชน์ได้หมดสิ้นแล้วกลุ่ยอาการของ กิริยาอาการทางขันเช่นการหัวเราะร้องไห้หรืออาการที่ดูเหมือนความโกรธเมื่อมีผัสสะมากระทบอาการเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาของธาตุขันที่ทํางานตามความคุ้นชินหรือวาสนาเดิมโดยที่จิตไม่ได้มีอากา ร, การปรุงแต่งเหมือนปู่ทุชนใช่หรือไม่ครับและหากจะสังเกตรกิริยาขันที่แสดงออกมาภายนอกของพระ อ, อรหันต์กับปู่ทุชนนี้ไม่สามารถดูจากภายนอกได้เลยใช่ไหมครับ ควรจะทำตัวเราให้เป็นผ้าหลารดีกว่าแล้วคำถามเรานี้ก็จะหมดไปถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจเราเป็นผ้าห า, หารขึ้นมานอย่าไปนสนใจกับผ้า ห, าหาลานรูปอื่นว่าท่านจะมีกิริยาการอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของเราเส้<ม>เวลาเปล่ า, าเอาเวลามาละกสังโยชน์ให้จิตเป็นจิตผ้าหลานขึ้นมาจะดีกว่า คำถามจากทาง Facebook ค่ะการทำกิฟต์เป็นตัวอ่อนแล้วแต่ไม่สามารถใส่ตัวอ่อนได้ต้องทิ้งไปจะบาปมากไหมคะถ้ามีดวงวิญญาณในเกาะมันก็บาปถ้ายังไม่มีดวงวิญญาณก็ยังไม่บาปคำถามจากทาง Facebook ค่ะ การทําบางสุกุลอุทิศให้วันพระบรุตรในวันสงกรานต้องมีผ้าขาวไหมคะมีเพื่ออะไรถ้าไม่มีบุญจะถึงไหมคะเธอเป็นการทําบุญในรูปแบบของอดีตการในสมัยพุทธกาลนี้ถ้าสง์ท่านจะไปเก็บผ้าบางสกุลคือผ้าหอ่อศพเอามาเอามาซักกามาย้อมมาตัดเย็ดเป็นผ้าจีวรเพราะสมัยก่อนนั้นเขาไม่นิยมเอาร่างกายคนตายไปฝังหรือไปเผา อรานี้โยมมาผ้าขาวหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในปา่าช้าให้ร่างกายนั้นเน่าเปื่อยแล้วก็ผุพังไปพอร่างกายผุพังเหลือแต่โครงก็เหลือแต่กระดูกผ้าพิสูจนที่ต้องการที่จะเอาผ้าไปตัดเย็บก็ท่านก็จะไปชักผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพนี้มันก็เลยเป็นการทําเป็นประเพณีกรรมเนี่ยเวลาเราทําบุญ ก, บกับเกี่ยวกับคนตายเราก็มักจะอยากเราก็จะถวายผ้าบางสกุลคือผ้าขาวแล้วให้พระท่านเป็นผู้ไปชกักจริง จะไปวางไว้ที่หน้าโรงศพถ้าเป็นงานสมแต่ถ้าเป็นงานกุฏิบุญเขาก็เอาผ้าไปวางไว้ที่ข้างหน้าของพระไม่ได้ประเคนให้พระเป็นผู้พิจารณาผ้านั้นด้วยการกล่าวคําว่าอนิจจาวัฏสังขาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาการละสังขารการปล่อยวางร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่ท่านก็จะชักผ้านั้นไปเอาไปทําเป็นผ้าจีวรต่อไป คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าในช่วงเวลา5นาทีผมคิดไป100เรื่องและผมตายในช่วงความคิดที่100ที่คิดเรื่องไม่ดีนั้นคือชา ต, ติต่อไปของผมใช่ไหมครับมันแลนด้อมชาติผบตามความคิดสุดท้ายก่อนตายใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้สะสมไว้ในใจของเราถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญบาป ก, กพา็พาไปอบาย ไม่ได้อยู่ที่ความคิดสุดท้ายเย่าว่าคิดเป็นมหาเศษรษฐีตึงวราจะตายเนี่ยเราไปาได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำไว้คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ เวลาผมภาวนาจิตมักติดนิ่งอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่อย่างนั้นเฉยๆเป็นเวลานานๆเกือบเกือบชั่วโมงและเวลาเดินจงกรมจิตก็นิ่งอยู่แต่การเคลื่อนไหวบ้างนิ่งกับคำบริกรรมพุทธโธบ้างนิ่งไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรเลยเฉยๆไปเสียเป็นเวลาหนึ่งสามชั่วโมงขณะเดินจงกรมจิตมันขี้เกียจเดินปัญญาพาจิตมันหมายก็รู้พาจิต จิตมันขี้เกียจเดินปัญญาพาจิตมันหมายรู้ก็แล้วจิตมันก็ไม่ค่อยออกมาหมายรู้ความจริงของท่าสี่ขันห้าเวลาฝืนให้จิตมันหมายรู้ความจริงครั้งใดจิตจะเกิดความเครียด ท, ทันทีเราก็รู้แจ้งในจิตนะว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้ขอวิธีแก้วความขี้เกียจของจิตในขั้นนี้เพื่อจะเดินปัญญาต่อเพื่อจะเดินปัญญาหน่อยครับ ก็เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเรามีความคิดก็ความคิดนี้มาคิดเรื่องอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เป็นของไม่เที่ยมสมบัติเข้าของเงิอนนองราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นไปธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดไปอาศัยสิ่งเหล่า น, นี้เป็นเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาหมดไปเขาก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจได้ ให้คิดแบบนี้สอนใจอย่าไปอยากได้อะไรอ่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้เสพรูปเสียงกลิ่นรส <Yeah. S 2> นี่ก็คือการสอนด้วยปัญญาเพื่อไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะดิ้นใจจะไม่สงบ <Yeah. S 2> พอมันดิ้นไม่สงบก็ต้องใช้ปัญญามาันมาหยุดความอยากโดยการสอนให้ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ล้วนเป็นทุกข์เป็น้นนิจจังทุกขงังอนัตตา คำถามจากทาง Facebook ค่ะส่งบุญให้ลูกชายที่เสียชีวิตต้องทําอย่างไรคะบุญถึงจะส่งถึงเขาก็าต้องทําบุญก่อนทําบุญด้วยการทําทานบริาจาคข้าของเงินทองไถ่บาทถวายสังฆทานหรืออะไรก็ตามเหล่านี้บุญก็จะเกิดขึ้นคือความสุขใจอิ่มใจพอพอเกิดความสุขใจอิ่มใจหลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วก็เราก็สามารถระลึกภายในใจไปได้เลยว่าเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้ว ก็ถือว่าได้ทํำสาเร็จแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีน้ํามากรวดไม่จําเป็นจะต้องมีพระมาสวดอันนั้นเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องทําพิธีกรรมขอให้มีบุญเกิดขึ้นในใจแล้วก็ขอให้เราเระลึกว่าเราจะขอส่งบุญนี้ให้กับคนใดที่ตายไปแล้วบุญนั้นก็จะวิ่งไปหาคนนั้นทันที คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะกายตายไปแล้วจิตไม่ได้ตายไปด้วยพอจิตมาเกิดภพชาติใหม่เพราะเหตุใดมันจึงจําอะไรไม่ได้ครับเพราะมันนานเนี่ยก่จะมาเกิดบางทีเป็นร้อยปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ว่ามีมากมีน้อยถ้าทําบุญทํำบาปไว้มากก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปไว้นานแล้วแม้แต่เมื่อวานนี้เรากินอะไรยังจําไม่ได้เลยเดี๋ยวแต่จะร้อยปี เพราะวันนี้จำได้ป่ราะวันนี้กินอะไรบ้างตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นจาไม่ได้นะเพราะเรามีเรื่องราวเยะเข้ามาในใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลจบได้ไม่ได้ไม่เป็นประเด็นสาคัญขอให้รู้ว่าถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องตัดความอยากลงไปเท่านั้นเองอยากไ่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดคาถามจากทางฟค่ะการไม่ชอบความคิด ที่ไม่ดีของตัวเองแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เราควรทำอย่างไรดีคะก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้พอคิดไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปส่วนมนลไปแล้วความคิดนั้นก็จะหายไปคำถามจากทาง a ฟ e b o o k คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะทำอย่างไรกับภาพถ่ายที่เพื่อนสนิททาให้เราเสียใจเจ็บปวดโกรธโมโหให้หายออกไป ได้โดยฝึกนั่งสมาธิฟังธทำแล้วภาพนั้นก็ยังวนเวียนฝูงตลอดไม่หายเลยเจ้าค่ะก็ลบมันเสียลบด้วยพุทธโธไปอย่าไปนึกถึงภาพให้นึกถึงพุทธโธแทนนึกถึงพระพุทธรูปแทนสร้างภาพใหม่ขึ้นมาทดแทนภาพเก่าคําถามจากทางผู้รับฟังนักกุฏิค่ะสําสหรับผู้ที่นั่งสมาธิยังไม่สงบและสวดมนต์ก็ยังง่วงหลับ ควรจะต้องทำอย่างไรคะลูกก็มาเดินก่อนเดินจงกรมแทนถาแล้วนะสำหรับวันนี้เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินินจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธ อ, เ อ, อ